ธรรมชาดกแผ่นที่6ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่27ธันวาคม2549มีชื่อเรื่องว่าค่าความโกรธเรื่องวัดวาศาสนา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 แต่ถึงยังไงคนชาวโลกเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่อ่อนน้อมที่ว่าอ่อนน้อมได้ก็เพราะอะไรก็หลักของพระพุทธศาสนาให้รู้จักวัยยวุฒิคุณวุฒิปฏิบัติตนต่อผู้วัยยวุทธทำยังไงปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุทำยังไงปฏิบัติกับผู้น้อยทำยังไงปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ทำยังไง อันนี้ว่าวายบุฒิคุณวุฒิพระพุทธศาสนาสอนเน้นดักไว้หมดให้รู้จักประมาณตนพูดจาพาทีอะไรก็ตามก็ต้องมีสัมมาคาระวะเป็นเบื้องตน้นไม่ใช่ว่าพูดพร่ำไปหมดเลยมันก็ไม่ได้แล้วค่อยมาเสียอกเสียใจเลยจะมาลูปหลังภายหลังมันก็ไม่ถูกเมื่อเป็นผู้ใหญ่เราก็พูดกับผู้น้อยทํำยังไงไม่ใช่ว่า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 คนมีปัญญาจะเป็นลักษณะคนขี้โกรธไอ้คนมีปัญญาจะเป็นลักษณะคนขี้โกรธนะถ้าคนโง่งๆซื่อๆเช่อๆเนี่ยจะไม่ค่อยโกรธใครถ้าโกรธออกมา ก, กับมันก็ไม่น่านดูอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่โกรธแต่ว่าคนตัวเองมีปัญญาเห็นว่าคนอื่นทํำงุ่มง่าม ๆ, ๆก็เลยไม่พอใจโง่หงิดแต่ตามให้จริงมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอแต่ตามให้จริง โลกทั้งนี้จะให้มันฉลาดเหมือนตัวเองทั้งหมดมันก็เป็นตัวเองทั้งหมดมันก็จะไม่มีคนขวากถนนมันก็จะไม่มีลูกน้องจะไม่มีคนสร้างบ้านเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดด้วยกันเดี๋ยทำยังไงคนนั่นกับนายกคนนี้กับนายกต่างคนก็ยานายกทั้งหมดเดีย๋ยวไงไม่มีใครทําอะไรให้แก่ใคร name. เพราะนั้นมันก็ต้องแยกแยะออกว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีโง่มันต้องมีฉลาดถ้าเขาจะงุ่มง่ามบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าเขาฉลาดก็เหมือนกับ มันก็คงจะเหมือนกับเราทุกคนนะอันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งแบ่งในใจของเราแต่เราอย่าไปพูดออกันะถ้าพูดออกไม่ได้ถ้าพูดออกไปล่ะเรานี่ยจะเป็นคนโง่อีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ในใจแต่หลวงพ่อสอนให้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์คิดอะไรให้คิดอยู่ในใจอย่าปล่อยวางก็เหมือนกันเขาว่าปล่อยวางปล่อยวางความนึ่เราจะไปคิดว่า เ, เราปล่อยวางทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเขาจะ จัดการกับเราเนะี่ยปล่อยวางอะไรใช่ไหมอพอเขาขโมยสิ่งของไปล่องห่มล่องให้ฮรบไม่เห็นมันปล่อยวางที่ตรงไหนฮะแต่ตามพิจริงค์เขาว่าปล่อยวางคํำนีน้คือปล่อยวางในใจไม่ต้องพูดออกอืมเราเอ้ยร่างกายสังขารเนี่ยนะเธอจะไม่อยู่ถึงร้อปีนะอีกสักวันถึงเธอจะต้องทิ้งนะอทรัพย์สมบัติไม่ต้องพูดถึงขนาดร่างกายของแก่แกก็จะทิ้งอยู่แล้ว เพราะนั้นยศถานบรรดาศักดิ์เงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ของแกนะขนาดร่างกายเขาก็จะไปเผาไฟทิ้งอยู่อีกสักวันหนึ่งนะจิงหมายใจถามใจตัวเองนะใจมันก็ปล่อยวางที่ใจตนเองปล่อยวางที่ใจตนเองเท่นี้กัสิ่งอื่นที่มันจะเกิดขึ้นมาเราก็ทําใจได้ทีนี้คือมันจะไม่รักเกินไปไม่โกรธเกินไปไม่โลภเกินไปไม่โมโหโท่โศเกินไปเพราะเหตุอะไรเพราะมันวางอยู่ในใจ มันรู้จักประมาณตนอยู่ในใจนะถ้าคนไม่รู้จักปล่อยวางในใจนั่นแหละใชแต่เราไปพูดข้างนอกไม่ได้ถ้าพูดขืนพูดเข้าไปก็นั่นแหละเขาตลบหลังเข้ามาล่องห่มล่องให้ไม่รู้จักหยุดบา ง, ง้นเดอะนี่แหละในหลักของพุทธศาสนามีหลายขั้นตอนนะมีหลายระดับบา ง, งั้นเดอะเราจะนํามาพิจารณาอยู่ในระดับไหนการเป็นอยู่ร่วมกันกับมนุษยชาติอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกัน มันไม่ใช่แต่ครั้งนี้นะครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละภาษาลิบุตรไปฉันที่บ้านของ พ, าาา พ, านนพราหม์เขาว่าพราหม์คนนี้แหละอภาษาลิบุตรคือว่าเนี่ยเขาว่าภาษาลิบุตรไม่โกรธจริงไหมภาษาลิบุตรเราจะโกรธไปทําไมโกรธไม่โกรธก็มีเท่าเก่าท่านั้นไม่เห็นจะโกรธแต่พราหม์คนทดลองเนาะเอาชี้ไม้ไผ่ตีหลังภาษาลิบุตรเอภาษาลิบุตรก็เฉยไม่โกรธ แต่ลูกศิษย์นีย่ยทแต่มันโกรธแทนเลยเขาจะจัดการกับลูกกับพราหม์คนนั้นนีเออจนถึงภาษาลิบุตรได้ไปห้ามเอาไว้หยุดนะอันนี้เป็นเรื่องของเราพวกท่านทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของเราหยุดน้าะถ้าใครไม่หยุดไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเออพระผะนั้นพวกลูกศิษย์จะไปฆ่าพราหมณ์คนนั้นอีกต่างหากการอันนี้เคยมีในครั้งพุทธเจ้ <c oughs> าพราหมณ์ตั้งแต่นับถือเรื่อมสายโอ้โหภาษาลิบุตร จักใจจริงๆท่านไม่โกรธจริงๆนะอย่างที่เขาล่ําลือจริงๆนะเอ่หทีนี้ก็บางทีท่านก็ไปฉันที่บ้านของเขาอีกฉันก็เขาก็ด่าต่อหน้าต่อตาท่านท่านก็เฉยท่าก็ถามว่าทําไมท่านถึงไม่โกรธเอ่ท่านทําไมจึงไม่โกรธท่านก็บอกว่าไปโกรธทําไมเหมือนกับโยมเห็นไหมเอ่ห์ถ้าว่าอาตมามาที่บ้านของโยมโยมเอานา้ํำ ของมาตอนรับขับสู้ถ้าอาตมาไม่รับเสอย่างเดียวนั่นเป็นของใครละใช่ก็เป็นของเจ้าของบ้านเออนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละแต่ถ้าว่าคุณด่าเราเราไม่รับเสียความด่าทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของคุณอีกอย่างเก่านั่นแหละเพราะงั้นถ้าเรารับก็เป็นของเราพอเรารับเราโมโหตอบแทนก็เป็นว่าเรารับแต่นีนเมื่อเราไม่รับล่ะก็เป็นของคุณอย่างเก่าเพราะท่านเราไม่รับรับไปทาไม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 ไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่นางนี่นะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างลึกซึ้งพราะเขาเป็นพระโสดาบันแล้วนะเวลาเขาจาเฟ็ดเนี่ยนโมตัสสะพระเขาวโ ต, รตโมมร ะ, ร ะ, ระรหโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมเลยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นฮเวลาเขาไอาแม a m นี่โดยไอยขึ้นมาเนยนโมตัสสะพระเขาวโตโระ เวลาเขาหกล้มก็เหมือนกันหกล้มลงไปเนี่ยเขาเกิดน้โมตัสสะพระเกาวะโตอีกคล้ายๆกับว่าล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่ที่ตัวเองทําพลาดท่าเสียทีอะไรลงไปนะียแต่วันนั้นทีนี่พรามณ์สามีเนะี่ยเลี้ยงพราม์เลี้ยงพรามก็เหมือนกับเชิญพราม์ผู้มีเกียรติอย่างนั้นนหะแต่เป็นศาสนาคริสต์่อว่าพระในศาสนาคริสต์มาทานอาหารที่บ้านอย่างนั้นแนหะ ถ้าเป็นอิสลามก็บผกเลี้ยงอิ ม, มัมอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะเชิญมาแล้วก็มาเลี้ยงอาหารเนะ่ยทีนี้ก็พราหมณ์กำลังจัดเลี้ยงพราหมณ์อยู่งั้นแต่นางพราหมณีก็ถือจานไปหกลมเลยเนี่ยจานหลุดมืออย่างนั้นแต่กาลังเสิร์ฟอาหารช่วยสามีกับคนในบ้านพอตกปั้งลงไปนางก็หน้าโมทัสคาเขาว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสาทีนี้ก็วงแตกเลยสิทีนี้ใช่ไหม เพอตัวเองพราหมณ์เลยไปเลี้ยงศาสนาอื่นพอมเมียแม่บ้านมัเนี่ยนอบน้อมพราะพุทธเจ้าทีนี้พราหมณ์ก็โเล ย, ยหาเน้่ยขายหน้าจริงๆอีกมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละครับเมียของผมเลยเวลาอะไรหลนตกลงมือเมื่ อ, อไรเอไอจามเมื่ อ, อไรมันก็พูดอย่างนี้แหละมันจะระลึกถึงส ม, มณะหัวโล้นของมันตลอดเวลาให้ใครว่าผัวไม่รู้จะทํำยังไงเออ พ, อ, พอเมียขายหน้าวางั้นะผลที่สุดก็เลยเอาเถอะเราจะไปถามสำนักหัวล้นของแกจะตอบเราได้ไหมทางนางนี่ก็บอกว่าไปเลยเชิญไปเลยฉันมองแล้วในจั ก, กรวาลเนี่ยไม่มีใครที่จะไปตอบโต้กับศาสนาของฉันได้หรอกพระพุทธเจ้าของฉันเลิศประเสริฐที่สุดทีนี้ก็พรามแล้วก็เลยไปาหาโอกาสไป ไปก็ไม่เคารพอีกต่างหากเลยไปก็ยืนยืนอยู่ข้างๆถามสมณโคดมท่านว่าการชําระอะไรการฆ่าอะไรที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดให้ข้าว่ามีเทคนิคในใจถามเหมนันนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการฆ่าความโกรธ ด, ดีที่สุดถ้าหาว่าคนมีความโกรธอยู่ในใจคนนั้นจะเป็นผู้เศร้าหมองเศร้าหมองในใจลึกๆเพราะว่ามันมีมนทิน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 พามแนละ้วก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดก็ตามมีขันติคือความอดทนอ่แล้วก็ไม่โกรธผู้นั้นแหละเป็นผู้มีกําลังมีกําลังพลอีกต่างหากมีกําลังอยู่ในจิตใจต่างหากเพราะนั้นต้องต้องดูต้องดูใจอย่าให้มีความโกรธเหยียบย่าทําลายใจตัวเองได้พอจากนั้นพามคนนี้เลยเกิดความเคารพเลื่อมใสนับถือขอบวชเหมือนกันเถะ เนี ه, พราะบวชพรมไม่นานท่านได้สำเร็จเป็นพระรหัส น, น้องชายคนที่สองมาดาอีกพวกพุทธเจ้าแท่ให้ฟังอีกยอมอีกพี่น้องสี่คนเดืสงสัยตระกูลนะตระกูลขี้โมโหหลวงพ่อว่านะเออมีพี่น้องสี่คนเป็นผู้ชายมาดาพรกพุทธเจ้าทุกคนเลยไม่มีเหตุมีผลตามที่จริงก็นอนันจะมาสักสไซไลเลียงถามเขาไม่พอใจแบบนั้นเลยที่เอาพี่ชายบวชไปาบบนั้นเลยแต่พ่อพวกพุทธเจ้า พูดให้ฟังเท่านั้นน่ะพิจ น, นาอู่ชัยที่พวกพูดทีเจ้าเนี่พูดถูกจริงๆริงคนที่มีอารมณ์โมโหในจิตในใจจิตใจมันขุนมัวแล้วมันจะหาความสุขในที่ไหนเสียใจภายหลังอีกต่างหากมีความเศร้าโศกในใจอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการไม่โกรธนี่ดีที่สุดนต้องมีเหตุผลที่ก่อนที่จะคิดจะจะทำอะไรก่อนที่มันจะโกรธก็ลวกอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะต้องรู้ไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นสี่พี่น้องก็ได้สาเร็จเป็นพระหันด้วยกัน บวชในพระพุทธศาสนาเนี่นี่แหละความโกรธไม่เป็นผลดีสําหรับพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าท่นานว่าแต่หลวงพ่อได้สังเกตดูนะคนที่มีปัญญาเนี่ยชอบมีขี้โกรธปัญญากับโกรธมันไปด้วยด้วยกันคือใจมันเร็วนะกระแสใจมันเร็วมันพุ่งจดตอกไปเลยโดยมากมันมันห้ามไม่ทนันเบรกไม่ทนันเหมือนกันเถอะพอมันเบรกไม่ทันมันเลยถลําออกไปทางอารมณ์ร้อนเหมือนกนเถอะแต่เพราะนั้นพวกเราต้อง สังเกตตัวเองให้มากๆถ้ามีสติถ้ามีเบรกนุ่นอยู่ในจิตในใจแล้วจะคิดอะไรออกมาจะพูดอะไรออกไปจะแสดงอะไรออกไปเนี่ยต้องให้รอบขอบไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับใครมีแต่ความสงบรรมเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเรามีแต่ปล่อยหมัดปล่อยมวยออกไปปล่อยวาจาออกไปแอบอมขี้เป่าออกไปมัขี้คืออะไรขี้โกรธออมขี้เป่าออกไปคือขี้โกรธไป เออถ้าอมขี้ อ, อไปขี้โลภเออบมว่าขี้หลงอือสรุปแล้วก็คือในตัวของเรามีแต่ขี้เพราะงั้นแต่เนี่ยขี้โลภขี้โกดขี้หลงอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นเราจะชะําระเอกายใจของเราได้ทั่วยอย่างไรเนี่ยต้องใช้ธรรมะเข้ามาชําระจิตใจจึงจะหายโลภโกดหลงเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองเอขึ้นมาได้แต่ถ้าใจบริสุทธิ์ใจหมดจดจากกิเลสนั่นแหะ อยู่สถานทีน่ใดอยู่ที่ใดณที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขณสถานที่นั้นๆในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแเลเป็นที่รื่นรมนี่พระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมคือพระอรหันต์คือหมดจดจากกิเลสอยู่ณสถานที่ใดในถิ่นนั้นบริเวณนั้นคนกลุ่มนั้นสงบร่มเย็นเป็นสุขไปหมด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 เพราะว่าในช่างหมอ้อก่อนที่จะเป็นหม้อขึ้นมาได้ที่มันจะขังน้าอยู่ในช่างหม้อต้องตีแล้วตีอีกกนาบแล้วกระนาบอีกในดินเดียวนั้นจนได้ที่ขึ้นมาจึงปั้นหม้อขึ้นมาจึงขังน้าอยู่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราจะสอนลูกศิษย์ของเราผู้ที่จะดำรงทรงศาสนาเราจะไม่ทำแบบทะนุถนอม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 ดึงศีลห้าอย่าฆ่ากันนะอย่าขโมยกันนะอย่าประพฤติผิดในกรรมนะอย่าโกหกกันนะอย่าดื่มสุรานะถ้าจะว่าไปแล้วมีแต่สอนสังคมด่าสังคมเหมือนกันเถอะมนุษย์มันชอบเลยชอบฆ่าสัตว์ชอบขโมยของคนอื่นชอบประพฤติผิดประเวณีชอบโกหกชอบกินเหล้าถ้าเราศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าด่ากาดไปหมดเหมือนกันอันนี้มันด่าขั้นต้นนะ ต่อไปเข้าไปลึกๆศึกษาเข้าไปแล้วท่านี้โอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าศึกษาอย่างมากเย่างนั้นเลยเนี่ยเขสอนกระทั่งความคิดคิดยังไงอคิดยังไงผิดคิดยังไงถูกคิดยังไงเป็นมิจราธิตคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิเลยเแนะนำกระทั่งความคิดอีกต่างหากเนี่ยวันนั้นพวกเราทุกท่านนะพุทธบริษัทควรศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งนะวันนี้หลวงพ่อเองได้ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอาตอนนี้ไปรับพร อนุโมทนาให้พร